น่าชอบใจเป็นแน่แล้วคุณจะรู้ด้วยตนเองอย่างประจักษ์แจ้งว่าคนทำดีไม่ใช่แค่ไม่กลัวที่นอนเท่านั้นแม้แต่ลงศพก็ไม่พลันเลย ใช่แค่เพียงภาพลวงตายังมีทุกสุขใจสุขกายเหมือนกัน